มันเกลงไปข้างล่างข้างล่างอะงะี้ยบอกสองร้อยกว่าทั้งหมดสองร้อยกว่าคุยทายไปสองปีไม่กลับมาใหม่สองร้อยสองอยหกโอกาสจะมากสองร้อยยี่สิบหกท่านค่ะหายไปขึ้นม สองรอยี่สิบหกคนเสียงเสียงไถึงถึงข้างนอกไหมเสียงเรา้ถึงข้างนอกไหมอะเสียงถึงหน้าวัดเลยเจ้าว่ะ ดีใจไหมดีใจไม่มได้ผ่านปีใหม่ผ่านไปแล้วดีใจไหมไม่ไม่ถ้าพูดภาษาเราภาษาเรางไง่ายๆูหลอดตายมาปีหนึ่งแล้วรอดตายมาปีหนึ่งแล้ว <c oughs> ก, ลก็แปลว่าแกก็ยุติแล้ว พอได้ปีใหม่ปีเก่าเรามากกักจะอวยพกันโดยพ่อยูผู้สองโอ น, นี้นะตัวดีเลยบอกขอให้ไม่แต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีอย่าเข้ามาเลยลืมไปว่าศาสนาของเราผู้ศาสนาจะแสดงการขอจะาสดงการอ้อนวอน แต่พูดดูมันได้ไม่สบายใจแต่ความจริงมันจะไปไม่ได้บอกว่าชิ้นที่ไม่ดีอย่าเข้ามาเลยจะไปไม่ได้ขอให้มีแต่ชิ้นดีเข้ามามันเป็นไปไม่ได้พอสองอย่างมันขอ้อคู่กันมันคู่กันกรับไปมันก็ต้องมีตลอดทีนี้บทเรียน ผูเรียนที่ผ่านมาก็อยากให้พวกเราพวกเราไปดูคือถ้าสมมุติว่าสมมติชีวิตเราเป็นเป็นเป็นนักเขียนที่ผ่านมาเท่าเนี้ยเป็นเราเราเป็นนักเขียนทุกคนเป็นนักเขียน เป็นนักบันทึกก็จะแปลว่าเราบันทึกได้เล่มนี้365หน้าไม่รู้คนบันทึกอะไรไม่รู้365หน้าที่ผ่านมาทีนี้หน้าที่ของเราคือจะเรียนกับไปอ่านอ่านในสือเล่มนี้ ก็่ความเข้าใจแต่ว่าหนังสือปีใหม่เนี่ยที่เรบบพรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการกระทําของตัวเราเองก็คือลงมบงเขียนใหม่อพอนุพอเปรียบเทียบไปฟังโดยสิ่งว่าเรไม่มีกระดาษอยู่สามแผ่นแผ่นแรกก็คือคือเ่ สามว่าภูษมาหน้าคือผ่านมาแล้วนี่แหละนี่คือแผนแรกแปลว่าอะไรเราแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าตราใดที่เราความคิดคำพูดหรือการกระทําของเรายัางวนกับไปที่เดิมก็คือเมื่อวานก็ปีที่แล้วที่ตายเป็นปีที่แล้วไปแล้วนะนั่นก็แปลว่าเรายังเราอยู่กับเมื่อวานเราอยู่กับปีที่แล้ว กระดาษเล่มที่สองก็คืออย่างนี้ปีใหม่เนี่ยตอนนี้เรากําลังเริ่มเขียนใหม่ก็เอาบทเรียนที่บันทึกไว้ตลอดสามร้ยหกสบ้าหน้า น, นั่นแหละห้าวั น, เ, นเอามาทึกแต่ว่ากระดาษแผ่นที่สองนแก้ไขได้ข้อดีของมันแต่แผ่นแรกเราเขียนไปแล้วบันทึกไปแล้วมันจบไปแล้วแผ่นที่สองคือ ปัดจุ บ, บังเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้สามารถทจะแก้ไขได้เคล็ดปิดแล้วลบได้แก้ไขได้เคลียนใหม่ ไ, ได้เพราะวันนี้ยังยังไม่ถึงวั น, นหน้าแรกเรายังเขลียนยังไม่จบเกินเพิ่งเริ่มหน้าแรกเปิดหน้าแรกไปกลังเขียนเลยตอนนี้อยู่ที่เราจะมีไปสามร้อยหกสิห้าวันเขียนดีหรือเขียนไม่ดีโทษใครไม่ได้ต้องโทษเราเพราะเราเขียนไม่ดีเองอันนี้คือ แผ่นที่สองแผ่นที่สามก็คือยังไม่ได้เห็นอะไรเลยคือปีหน้านึยยังไม่ได้บันทึกอะไรเลยไม่ได้ความว่างเปล่านีคืออนาคตอนาคตแปลว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะนั้นชีวิตเราก็อยู่แค่สามวันก็พอแล้วเราเลือกเขาจะอยู่วันไหนวันวานมันจบไปแล้วนะก็ไปวันไหนขณะที่เราคิดอยู่ อารมณ์่เราเครียดอยู่เป็นเรื่องเกา่าเรื่องแกเรื่องที่จบไปแล้วแต่เรายังไม่จบไม่ยอมให้มันจบโทษใครไม่ได้นะมันสุกก็ยังติดที่สุกเดิมมันทุกข์กลับไปทุทกข์เหมือนเดิมหรือมันจบไปแล้วมันควรจะจบไปแล้วอความที่เราไม่มีสตินี่แหละเราก็ไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราเจะไปโทษปจนะัจจัยไวนอกไม่ได้ก็ถือให้เป็นบทเรียนตอนเนี้ยวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาได้หมดยังไงก็ได้เขียนให้ดีกว่าเก่าก็ได้เขียนได้แย่กว่าก็ได้ครูเจิญได้บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะ น, นี้ทุกขณะอยู่ปัจจุบันส่วนอนาคตพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะอยู่จะเป็นจะตายไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เราเคยได้ยินรู้ปู่แหวน สุจินโดท่านบอกว่าเป็นช่วงกลางๆเป็นประเทศช่วงกลางๆก่อนนั้นทรานพัฒนาหลายเรื่องเรื่องตัวนี้ท่านก็จะบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าอดีตอนาคตเป็นธรรมเมาตุปรลอยนี้นะปัจจุบันเป็นธรรมโมตุปเทเร่อยนี้หลังจากนั้นท่านอธิบายเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็ประมาณนั้นหลังจากเกิดพูดอนี้ท่านก็จะพูดต่อ อธิบายนั้นรายละเอียดแต่ละไฮ l i g h อยู่ตรงนี้นคือคิดที่เหมือนวอลพุ่นเนี่ยคือว่าอาดีตกับอนาคตมันเป็นทำเมาแปลว่าถ้าใจเราไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตในขนาดใดก็ตามเราจะกลายเป็นคนเมาเมาคือหลงหลงคือมมหะก็อยู่กับความเมาเหมือนคนเมาอ่ะคนเมาคือไม่มีสติสรุปว่อคนเมา ค, คนไม่มีสติ นัทโมหรือปัจจุบันถ้าจะให้เป็นนัทโมทั้งอยู่กับปัจจุบันเพปัจจุบันเนี้นตอนเนี้ยเราคิดอะไรเราพูดอะไรทําอะไรนั่นคือคำว่าปัจจุบันอย่างแน่นก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับกระดาษเป็นที่สองก็จะต้องระวัดระวังเพราะฉะนั้นอย่าไปเขียนธรรมะที่เป็นธรรมเมาคืออยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตเพราะฉะนั้นครูอาจารย์นะบอกว่า กั้นอดีตปิดอนาคตกำหนดปัจจุบันคำว่ากำหนดนั่คือใช้กับทุกทุกที่ผู้เจ้าบอกให้กำหนดไม่ได้ให้ละไม่ได้ให้ปล่อยไม่ไให้วา่างไม่ได้ทําให้มันเจริญท่านใช้คําว่ากำหนดทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ความหมายของทุกที่เราไม่รู้พเพราะเราไม่ได้กำหนดกำหนดรู้ส่วนตัณหา สมุทัยเนี่ยจะต้องละตัวเนี้ตัวจะต้องละแล้วแต่เรากลับอยากไปละทุกข์คือไม่อยากให้มันมีทุกข์ในการทมเรากำลังคิดเสวนทางกับพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าไม่ได้สอนพระุทธเจ้าให้กาหนดรู้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดตัวที่สามคือถ้ากําหนดแล้วเราเห็นความดับของมันมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรเช่นเห็นความเกิดแก่เก็บตายยันนี้ก็เร์นิโรธ นิโรธาคือการดับเมื่อรู้สามอย่างแล้วคือวิธีกาหนดวิธีละวิธีทำให้มันดับตัวที่สี่ในรว่างมรรคจะเป็นปองคนทางหรือวิธีการที่จะทําให้เราเจริญเพราะฉะนั้นมรรคท่านจึงบอกให้เราทําให้เจริญขึ้นทําให้มากขึ้นเรี่ยวกับภาวนา ภาวนแวาแปลว่าทาให้มีทําให้เป็นเป็นคือพัฒนาตัวเองนั่นแหละประตาเร า, าง่ายง่ายปัจจุบันปีใหม่เนี้ก็ให้ภาวนาภาวนาไม่ได้แปลว่าเราหูดหลับตาอย่างที่เราเข้าใจภาวนาคือทําให้เรามีปัญญาพบอะไรได้ยินอะไรเห็นอะไรก็ให้มันเกิดปัญญาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าไม่เกิดปัญญามันก็จะตรวกันข้างมันก็จะได้แค่สัญญาคือจํา เช่นเห็นต้นน้ำม่วงก็เห็นรู้ว่าต้นน้ำม่วงน่าคือสัญญานะแต่เห็นในดําในแดงในขาวก็จำมันได้ว่าเป็นในดำในแดงในขาวก็ได้อีกแต่มันไม่เกิดเป็นอย่างนี้ ค, ความสาคัญระหว่างสัญญากับปัญญาปัญญานั้นต้องคู่กับสติเสมอที่เรียกว่าสติปัญญาของปลายทางคนที่เจริญได้คนที่ภาวนาเจริญได้ก็สติปัญญานี่แหละเป็นหลัก เป็นเรื่องสำคัญถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นยอดถ้าเป็นคนคนก็ส่วนหัวเพราะนั้นหัวของเราคือเป็นที่เกิดปัญญาตัวนั้นมันเกิดแค่สัญญาเปิดตาไปเห็นรูปก็เกิดสัญญาหูฟังเสียงเกิดสัญญาปากพูดไปกับพาะว่าสัญญามันไม่เกิดปัญญาเพระนั้นการภาวนาและการปฏิบัติของเราคือต้องการให้เราน่ะเกิดปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดแล้ว ก็คือกรแสงสว่างเกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็ทําลายความมืดเกลียวิชาที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจมาก่อนเมือนจะเข้าใจอะไรมากขึ้นในชีวิตปีนี้ก็ขอใสิ่งที่ไม่ใหม่ขึ้นนี่แหละไม่ใช่ไม่อยากให้อะไรมาเข้ามาในงไงที่เป็นดังคำอวยพรคือขอให้มีแต่สิ่งดีๆมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราทําไม่ดีแต่ขอเอาขอยสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าท่านเราดีแล้วไม่ต้องขอ ถ้าเราบริสิทแล้วไม่ต้องไปขอสินง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าเราอิ่มแล้วไม่ต้องไปกินอีกเข้าวที่เรากินอยู่เพราะว่าหิวถึงได้กินมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติอยู่เพราะยังไม่เต็มคือบารมีเรายังไม่เต็มเราเจะมาสร้างบารมีโลกมนุษย์เป็นโลกที่เรามาสร้างบารมีเพื่อมันเต็มเมื่อมันเต็มแล้วมันก็องมันก็อ่างตอนนี้มันเต็มใส่เข้าไป การจ้องขั น, ข น, ขนมันก็เต็มมันก็ล้นแล้วไอ้ตรงข้ามท่านโอ่งเนี่ยมันไม่ดีอะไรเลยกว่าจะเต็มมี่คือสิ่งที่พระเจ้าปฏิบัติว่าเป็นเตือนเอาดังสาวกกว่าจะเป็นพระเจ้าได้กว่าจะเป็นพุนพทธสาวกได้ท่านต้องบำเป็นบาลไีไม่รู้กี่พุทธกี่ชาติกี่ครับกี่กันไม่น้นเราจะเจ้าแค่ชาติสุดท้ายของพระเจ้าชาติเดียวไม่ได้เช่นเราจะบอกว่า หรือศรีห้าตนหรือเป็เจ้ากี่ฟังทำกันเดียวแล้วสำเร็จทำไมไม่เอากันในปมาเทศคนก็เช่าจะพูดอย่างนี้หารู้ไหมว่าข้ารูปข้าท่านห้าองค์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์มีประวัติความเป็นมาต่อเนื่องยาวนานอธิฐานทำบุญร่วมกันมาไม่รู้กี่พ่กผญาติอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราไม่เห็นกลาไปเอาแค่ชาติปัจจุบันว่าเอา ทำไมไปเทศกันหนึ่งกันสองกันสามก็พอแล้วประเทศเสร็จแล้วคนก็เป็นอหรหันต์น่าคิดจริงที่เราเข้าใจแต่ว่ากว่าจะเป็นก็ได้ขนาดนี้กว่าจะเข้าใจได้ขนาดนี้ท่านบังเกิดมาด้วยกันทํน า, นาด้วยกันอธิษฐานว่างด้วยกันการที่เราทำมาวันนี้ก็จะมีผลในการในเร็วอย่างแรกก็เป็นสัจจบารมีคือให้มีสัจจะก่อนก็ขอเหมืที่เราสวดกันคือเอเตนะสัจเจนะด้วยความสัต์นี้ แต่ความสัตย์ก็ยังไม่มีเราจะ อ, าอะไรมาอธิษฐานไม่ได้จะอธิษฐานเอาแค่ากาอธิษฐานบามีก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องทําก่อนขออธิษฐานบางทีเราก็ไปคุยเสมอว่าเช่นความเมตตาเราก็มักจะขอจากคนอื่นขอจากกระบะจากคนที่ขอแสดงวันไม่มีถ้ามีอยู่แล้วคงไม่ขออันนี้กำลังง่ายๆเลยเหมือนเรามีสตังอยู่แล้วเรก็ไม่จำเป็นต้องไปขอ ที่ไปขอพ่อไม่มีถึงได้ขออันเดียวกันแตนน่ก่อนที่เราจะเอาอะไรให้ใครเส้นสตางค์ก็ดีเมตตาตอะไรเราต้องมีสิ่งนั้นก่อนเราจะแผ่เมตตาคนอื่นใจเราต้องเมตตาก่อนต้องมีของก่อนที่จะแผ่เมตตาคนอื่นไม่งั้นก็เหมือนกับปากเปล่าให้กันปากเปล่าเหมือนกับผมจะให้ตังค์คนนะปากเป่าอย่าเงี่ยโดยไม่มีอะไรเป็นวัตถุ ที่เราประกันอันนี้มันหมายความว่าในทางปฏิบัติตอ น, นปีใหม่นี้ก็อยากให้พวกเราส่วนหนังสือเล่มเก่าแล้วก็อ่านได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วนะอ่านเพื่อเป็นบทเรียนว่าสามร้อยหกสิบห้าหน้าที่ผ่านมาเราเขียนอะไรบ้างเราพูดอะไรบ้างแต่คงไม่มีใครจําหมดหรอกถาว่ากต่วันไหนจะจำแต่ที่ควรจะจำก็คือวันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน ไม่ใช่พวกนี้บ้านาขอให้เราต้องไล ย, ยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นั่นแหละคือพรที่ดีที่สุดขอร้องหลาได้ประสบความสุขความเจริญเจริญอยแบบโลกโลก็ให้เจริญทางโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญทางธรรมขอร้องหลาได้ปรบความสขเจริญทั้ง ทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด